เรื่องเรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่เป็น น, นว่าเราทั้หลายได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่ากายก็อยู่ในลมห้ยใจเข้าหายใจออกนี้ พระพุทธเจ้าท่านจัดระดับการศึกษากายการศึกษาความรู้สึกซึ่งมีในกายในจิตคือเวทนาและการศึกษาตัวจิตลักษณะของจิตเองและการเรียนรู้ความรับของกายของจิตของความรู้สึกตายเวทนาจิต มันมีความลับอยู่ในตัวมันคือกฎอันนึ่งในตัวมั น, นเรียกว่าธรรมพูดง่ายว่าธรรมอยู่ในลมหายใจทั้งหมดแล้วท่านก็เอามาประมวลรวมมาเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาชีวิตเรียกชื่อว่าสติปัานที่ตั้งของสติ ท่นน์น้าไลช่วยฟังให้ดีว่าเราทำลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ในลมหายใจครึ่งหนึ่งและมีสติรับรู้รับทราบความคิดอยู่ทุกเมื่อพร้อมกันไปจนกว่าจะหลับเติมขึ้นมาก็ศึกษามันอย่างนี้ถ้าเป็นพระเป็นเนมมันก็ง่ายเพราะไม่มีภาระที่จะไปแบกไปหาม ทำไรทำนาเป็นโอกาสดีที่ได้มาบวชในพุทธศัพร์ปัญหาถ้าจะว่าเป็นแล้วการเรียนหนังสือที่เราสวดร้องท่องบนมาอยู่ทุกวันนี่ยังจะเสียหักกว่าเพราะจะต้องสวดร้องท่องบนจำได้แล้วก็ลืมจะอ่านทีจะเขียนที่ทํามาจุดฟืนจุดไฟแต่ การเรียนแบบนี้ไม่ได้สวดร้องท่องบน่นไม่ต้องซื้อตำรับตำลาไม่ได้เสียเงินสักบาทเดียวสตางแตงเดียวเราสามารถศึกษาได้โดยศึกษาลมหายใจให้ละเอียดเอาบทเรียนจากลมหายใจบทเรียนจากความคิดบทเรียนจากความรู้สึกทั้งหมดนี้อา่านเยอะตลอดมณสนะิการังทําไว้ในใจ สาทุกังมนศสิกาตภูทำให้ในใจให้ดีๆถ้าท่านเดินลมหายใจอยู่เจ็บมันจะมีสะติมันจะมีสมาธิประคับประคองไปพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าท่านมักจะเรียกเชื่อมันว่าสติสมาธิอันสัมปยุตเ ป, ป็นปานาสติเพราะนั้นเมื่อใดเรากำหนดเดินลมหายใจอยู่ จนชินกับความรู้จักลมหายใจแล้วเราก็กำหนดดูความคิดทุกลมหายใจที่มันคิดทุกขณะที่มันคิดเราแบ่งความรับรู้ทั้งภายนอกภายในทั้งลมหายใจและความคิดไปพร้อมๆกันเหมือนเราหาบของไม่ให้มันหนักข้างหน้าไม่ให้มันหนักข้างหลังไม่ต้องคอนถณาหนาข้างหน้ามันก็ได้ยกช่วยลาบาก ในการประคองธนาข้างหลังมันก็ได้คอนเอาไว้แต่ถ้ามันหนักเท่ากันมันก็จะพอดีกันแล้วมันก็เดินสบายมันเดินสบายการทําทความเพียรอีกต้องประคองอย่างนี้แบ่งไว้ข้างนอกข้างในบ้งอย่างนี้เรียกว่าทําทั้งสมถาวิปัตนาไปพร้อมกันศึกษากายศึกษากจิตในตัว จิตนั้นมีเวทนาในเวทนาในจิตในกายมีธรรมคือกฎธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในกายกฎธรรมชาติอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในใจกฎธรรมชาติอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกที่เราเวทนานั้นฮิมบาลี่า้เรียกชื่อมันว่าธรรม ก็คืออนิี้จังทุกครั้งอัณตายที่เราจะพูดกันในวันต่อไปถ้ามีเวลาพอวันนี้ใช้เวลามามากม า, มากแล้วละแต่ก็ควรจะพูดให้มันจบเป็นเรื่องไปเมื่อเราพิจนารณารวมหายใจเข้าหายะออกตลอดทั้งความคิดที่มันคิดขึ้นมาก็รู้มันอย่างนี้ความฉลาด มันจะเกิดขึ้นเวลาใดร่างกายเราไม่สบายลมหายใจมันก็จะแสดงออกในการผิดปกติมันเวลาใดร่างกายเราสบายเราเย็นสบายไม่มีความตึงเครียดลมหายใจมันก็ร่าเรียบสม่าเสมอ ส, สบายเหมือนคนนอนหลับ ที่เขาไม่มีความตึงเครียดไม่มีความเครียดในอารมณ์เขาลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความร่มนับลงของกายการศึกษากายที่เรียก ว, ว่ามีสติในกาย<ม>เห็นกายในกายกายเย ก, กา ย, ยานุปัสสีก็คือการเห็นลมหายใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้มันยาวเข้ายาวออกมีส่วนหยาบยาวแล้วก็จะเห็นว่ายาวนี่ก็เริ่มทุกข์แล้วนะร้อนทันทีเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ตัวอริยสัจจะทำปรากฏขึ้นเลยทั้งแต่เริ่มลงมือทำเพราะการปฏิบัติธรรมนี่มันเน้นไปที่การเห็นอริยสัจถ้าไม่พ่านตัวนี้ความสงสัยมันก็มีอยู่ร่ําไป จบห้าพันประโยคมันก็ยังสงสัยถ้ามันเข้าถึงตรงนี้เห็นความทุกข์อันเป็นตัวปัญหาโดยไม่ต้องถามมันเกิดขึ้นเจอจ้าทั้งหนึ่งกายในจิตและทนดูความทุกข์เพ่มันบีบคั้นในความรู้สึกอยู่ทุกเมือ่อตามดูมันอย่างอดทนอย่างมีสติแล้วมันจะมีคําถามซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมา คำถามถึงที่สุดและมันจะถึงคำถามสุดท้ายแบบสายฟ้าแลบว่าใครเป็นคนทุกข์คำตอบแบบฟ้าผ่าไปอย่างลงมาสวนกับคำถามนั้นก็จะโผงออกมาว่าไม่ไ ม, ไมีใครทุกข์พ่ยเขาลงก็ไปเย็กมันก็ดับรูปหายสว่างโพรงหมดความสงสัยตัวนิโรธปรากฏขึ้น มักได้ปรากฏตัวว่าการกระทำของเรานั้นไม่ผิดถูกต้องแล้วเราจึงมาถึงตรงนี้จึงสิ้นความสงสัยความสงสัยจะหมดสิ้นไปเมื่อมาถึงตรงนี้ไอ้ความสงสัยที่หมดสิ้นไปนี่แหละคือการทำลายตัววิจิกิจชาวิจิกิจชาอยู่ในกลุ่มของ โอรัมพาคียะสังโยร่วงต่ําเทอกะสกายะทิฏฐิูิจิขิช้าความสงสัยนี่ความหลงว่าเป็นต้นเป็นตัวเป็นเราอันนึ่งแล้วก็ความสงสัยในข้อวัดในปฏิบัติในวิชาการในครูบาอาจารย์ในพระพุทธธรรมประสงค์ยังเป็นหลักเป็นตรอยู่ในใจ <S <S สี่วัตตะปลัมาะทความงมง า, ายยังไม่มั่นใจในสิงพจน์ของตนเอง จะหมดสิ้นไปเมื่อคำตอบอันสว่างโพรงขึ้นมาจากคำถามที่สุกงอมด้วยการเพ่งดูอยู่ทั้เมื่อจะมีคำตอบแบบฟ้าผ่าไปยิงลงมานแล้วความสงสัยมันหมดมักคือห้อนทางก็เป็นอันว่าปากกโดยไม่ต้องสงสัยึงที่จริงแล้ว เราก็เดินตามเส้นทางมาอยู่ดังนั้นแต่เรายังไม่ปรากฏชัดเจนว่าทางเส้นนี้มันถูกต้องไหมเหมืนเรามาที่วัดนี้เรามาจากต่างจังหวัดในขณะที่เดินทางมาซึ่งคนที่ยังไม่เคยมาเลย <c oughs> มันก็จะสงสัยอยู่ว่าทางนี้มันถูกไหมนะที่จะไปนิพพทเรพลาลาม ทั้งทั้งนคนบอกเขาวันนี่เลยคือห้นทางไปคนไปเธอแต่เราไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกความแน่ใจมันจะเกิดขึ้นร้อยอร์เซ็นยังไม่ได้มันจะต้องมีความสงสัยแต่ในขณะที่มาถึงที่นี่มาเห็นที่นี่ความสงสัยที่ว่าทางที่เดินมานั้นมันใช่หรือไม่ถูกต้องไหมันก็หมดสิ้นไป ความสงสัยหมดสิ้นไปไม่สงสัยอีกเพราะถ้าหาว่ามันไม่ใช่ทางเส้นนั้นมันจะมาถึงนี่ได้อย่างไรมันไม่ผูกทางเพราะนั้นท่านเรียงลำดับของอริยสัจทุกสมุทัยนี้โลดมึกไว้ข้างหลังมักคือร่้นทางไว้ข้างหลังท่านเรียนในแง่มุมของการปฏิบัติแต่ถ้าจะว่าแบบวิชาการแบบทฤษฎีควรจะไปวันนี่คือทาง นี่คือ<ม>เหตุที่ทุกนี่คือตัวทุกนี่คือทาง น, นั่นคือความดับลงถึงความทุกการเดินทางไปชึงนั่นทางคด ท, ทางดับทุกแต่ความดับทุกมันอยู่ตามหลังทางต้นเดินไปตามทางมันจะต้องดูยันเหตุไว้ก่อนผล <c oughs> แต่ในแง่มุมของการเห็นแจ้งปฏิจจ์หมดสิ่งสงสัยในการปฏิบัติมันไม่ต้องเอา เหตุไว้ทีหลังผลทุกมันเป็นผลของสมุททยสมุททยเป็นเหตุแห่งทุกแต่เราจะต้องเจอความทุกนี้สะก่อนเพราะฉะนั้นการกำหนดดูลมหายใจขึ้นต้นก็เริ่มโดยขวัญทีคั้งว่าอัสสันโตปัดสันโตหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเรื่องสุดท้า การทำแรกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมันก็เริ่มทุกข์ทันทีร้อนเทือไหลไข้เย็ดหลังจากนั้นมาปนเป็นสั้นร้อสังวาอัศสันโตปัตตตสสสันโตหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้สึกตัวทั่วถึงสามีติประชาติรู้สึกตัวทั่วถึ ง, าาถงหายใจเข้าสั้นออกสั้นไอหายใจเข้ายาวนี่มันก็ทุกข์แล้วอึดอัดร้อน หายย่สั้นก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของกายนั้นก็ทุกข์อีกในขณะหลับฝืนกระแสทั้งทางซ้ายทั้งทางขวาพอตอนที่สามสัพกายะปฏิสังเวทีรู้สึกกองลมทั้งปวงคันนี้จะแปลตามสัตว์ตรงๆกับว่ารุจากตายทั้งปวงรูห้อมเฉพาะกายทั้งปวงสัพพะปวารุทั้งหมดทั้งปวงตายยะปวากุายปฏิ อย่าหนึ่งปฏิภาวะยิ่งโดเฉพาะสังพ้อมได้ที่รู้รู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงแต่กายตนนี้หมายถึงลมหมายถึงลม mm. เมื่อเราหายใจยาวมันก็ทุกข์ร้อนอุดอัดหายใจสั้นก็ไม่พอกินอีกทุกข์อีกเราก็เลยปล่อยมันทําตามธรรมชาติแล้วก็ตามรู้จักรลมมันเข้าไปถึงไหนออกไปถึงไหน นี่เริ่มอย่างนี้มันก็จะเห็นการไหลเวียนของลมที่มันพัดเอาเรื่อไหไปตามเส้นหลอเลือดหลังเท่นั้นกายนี่ก็จะคลานิ่งลงคือมันจะเสริ่มสงบไม่ได้หายใจสั้าไม่ได้หายใจยาวปล่ยมันไปตามธรรมชาติมันก็ปรับกํามันเองเราก็เย็นสบายเมื่มันเย็นสบายมันสงบสดาว่าปัจจัยพยังกายะสังขารังกายสังขารเรางับลงอัตตาปัสตาฟามิติสิกติ ทาในบทศึกษาเราทําตายสังขารให้รำมึกถึงตรงนี้มันรำลึการทำสี่อันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกวันไม่มีและคือการเห็นกายในกายเราก็บอกว่าตายอันนึงในกายทั้งหลายคือลมหาจเข้าหายใจออกนะตามหลักวิชาการก็มีเพียงเท่า น, นี้ในพระบาลีที่เห็นได้ชัดไม่ต้องร้องให้ครูบาอาจารย์ที่ไหนมายืนยันเอาเอ า, อาที่พระพุทธเจ้าท่านพูดนี้ ก็สมควรที่เราจะต้องมาฝึกซาให้ชัดเจนถ้าว่าเมื่อเราทําอย่างนี้สมัยใดที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ยสมิงสมเยภิกขเวภิกขุทีขังวาอัตสันโตรสังวาลา่ไปจนสุดถึงปะสัมปัญกาจะทังขารังเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสสี พิกาเวตัตตมิงสมาเยวิหารติสมัยนั้นภิกษุนั้นช่วเห็นกายในกายนี่ทําไม่เห็นกายในกาก็เห็นลมทุกชนิดควบคุมอาตาปีสัมปชัโนสติมาวินิยโลกเยฟิชาโทมานัสสองมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรทอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกสีทําไมเราจึงกล่าวอย่างนั้นท่านท่า น, นตั้งคําถามขึ้นมาเองว่าตั้งกิจเสเหตุ ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นกายยันจะตราหังที่กเวอเอตังวัฏหามิยัติทางอสสาสปัสสั ส, สังเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นการมีสติรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือาลลการรู้จักกายทุกขณะทุกขณะทุกขณะทุกขณะของมันมันอยู่ในลักษณะอย่างไร สามารถจะทำให้กายมีความสงบเย็จนจนเป็นฌานก็นได้มันฌานก็นได้แล้วหลังจากนั้นเราก็มารู้จักความคิดพร้อมกันไปกับลมหายใจนี่เนี่ย น, น, นี่นี่ผม ส, สอนท่านทั้งหลายให้ท่านทำไปพร้อมกันเนี่ยคืออยากจะให้ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อคนทุกทุกคนที่นั่งกันเป็นแถวอยู่เนี่ย ทั้งพิสุสามันเนนทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งกันเปนแถวใต้ร่มไม้เนี่ยมันมีบารมีมีอินทรีย์มาไม่เหมือนกันบางคนมันง่ายที่จะทําให้มันเกิดความสงบเป็นสมถะบางคนมันง่ายที่จะไปสูวิปัสสนาเราจะบอกให้เอาอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับคนโ น, น้นบอกให้เอาอย่างโน้นจะไม่เหมาะกับคนนี้เราก็เลยเอามันทั้งสองไว้ก่อนเรื่องวัฏสามาัะฐานวิปัสสนางยคันนะ ทังพาเวติตัตระสมัธาวิปตนังดูคะ่ะนะทั้งภาเวภาวยโตมัคโคสัญชายาติจะริญทั้งสมัธทั้งวิปตนาไปพร้อมๆกันเมื่อจะเรียนตัมามาถะวิปตนะไปมอพร้อมๆกันมัค ก, ก็ยังเกิดการเจริญโดยพร้อมๆกันนี่โดยเหมือนพระสารีบุตรท่านธรำอย่างนี้ในปฏิสัมพิธามัค แล้วก็สอนลูกศิลุห์หาของท่านอย่างนี้ท่านจะเป็นผู้รู้มุทด้วยสติปัญญาเมาื่อแค่ น, นี้เรากันบอดเอาไว้เลยเอาละเราเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาอธิบายถึงตอนที่เรื่องกายแล้วก็มาถึงจิตเนี่ยขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการรู้จักลมหายใจทุกลักษณะมันเกี่ยวข้องกับกายหายใจยาวกลายเป็นทุกข์ร้อนหายใจสั้นกลายเป็นทุกข์ร้อน แต่พอปล่อยไว้ตามธรรมดาตามหลังตามลมลงไปอย่างนี้มันเขาทําแบบเทคนิคนี้มันก็จะเกิดความเย็นความสงบรู้จักกายเห็นลมหายใจมันไหลเวียนมันพัดเอารื่องไหลูวียนไปทั่วแล้วกายมันก็ดิ้นยืดยืดยักยั ก, ย ก, ยกมันกระตุกตรงโน้นตรงนี้เราก็มีความรู้สึกสภพากายปฏิสังเบทีแล้วก็จะไปเย็นตรงโน้นร้อนตรงนี้เราก็รู้จักหมด แล้วก็ทำให้ลมหายใจมันไปตามธรรมชาติละเอียดลงละเอียดลงผ่ามิ่งลงผามิ่งลงมันก็เกิดความเย็นความสงบอยากนอนอยากหลับอย่างนี้ฉันนี่ขอแถมแถมตรงนี้หน่อยนะแถมตรงนี้หน่อยเผื่อทุกทุกคนถ้าเกิดว่ามันสงบหลังจากลมเ้าลมสั้นแล้วก็ปล่อยธรมธรมดาธรรมดา มันเย็นลงเย็นลงมันดิ้นตรงโน้นดิ้งตอนนี้แล้วก็ละเอียดลงแผวลงแผวลงมันครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับหลับก็ไม่ใช่ตื่นแล้วไม่ใช่นั่งอยู่เหมือนฝันไปความชิดนั้ะมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่ความละเอียดของจิตความรู้ที่มันทีแต่สติยังไม่กล้าพอมันกลายเป็นความฝันมันนั่งฝันมันก็นั่งฝัน นั่นแหละมันครึ่งหลับครึ่งตื่นแตน่มันได้ลำงับลงไปถึงตายแต่ทีนี้บางคนบางคนแล้วก็พูดเพื่อต่อไปบางคนพรเริ่มละเอียดลงลมหายใจแผ่วลมเย็นลงเบาลงมันก็เริ่มมีแสงมันก็เริ่มมีมินิตเป็นเหมือนปวยฝ้ายปวยนุ่มหยดน้ํา ไหลผ่านหนะ้าบางทีเป็นแสงลงเรื่องเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นพระจันทร์กำลังโผล่ถ้าใครเห็นแสงลงเรื่องโดยแสงนั้นไม่เคลื่อนตต้มีอันหนึ่งนะบางบางบา ง, บางคนมันมันโม น, นมันไหลเลยสิ่งที่เห็นมันไหลเหมือนปลื้มปลื้มฝ้ายเหมือนอะไรก็ตามเป็นแสงหิ้งห้อยเหมือนแสงฟ้าฟ้าก็ตามจะไหลแวบบไปแวบบมาแต่บางคนเห็นโผล่ลงเรื่อง เอาเธอในตอนนี้ถ้าจะลองเล่นให้สนุกทางสมถะก็ได้ก็ได้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความขัดเกลาแต่มันเป็นไปเพื่อความสุขพระพุทธเจ้าประว่าไม่ใช่สันเหล่าธรรมดอกชานที่หนึ่งถึงชานที่สี่ถึงอรูปฌานไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลายดเลยแต่มันเป็นวิหารธรรมพระสุขวิหารธรรมทำให้มันเป็นขึ้นโดให้เป็นสุข แล้วก็เป็นเครื่องเล่นเป็นชานตะกีฬาเป็นเครื่องเล่นในลานเึิถ้าเห็นแสงเห็นสีเหล่านั้นก็ปล่อยลมหายใจเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไปดูมันน้อง ม, มันเข้ามาผลักมันออกไปสร้างอิมเมจเนสสร้างมโนาภาพทับลงไปพูดง่ายว่าเราสร้างมิติอันใดหนึ่งขึ้นมาได้หลังจากลมหายใจละเอียดกายสงบ หลังจากนั้นเราก็บังคับนน ม, ม, มิตเหมือนรีโมทคอนโทรลของคทรทัศ ด, ดึงมันเข้ามาใกล้ผักมันออกไปไกลขยายให้มันใหญ่ย่อส่วนให้มันเล็กทำเล่นๆอย่างนี้อยู่ท่านก็จะรู้สึกเสียวเวศรูบ ว, ว่าเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำถ้าใครเคยนั่งเครื่องบินนี้จะรู้สึกว่าเหมือนเครื่องบินโดดรุม อ, อากาศแล้วอย่าไปตกใจอย่ดูมันต่อ มันเบมันดูว่าบก็ช่างมันเดินมันไปดูทรงนู้นดูทรงนู้นน่ะดูตัวที่เห็นมันลอยอยู่ข้างบนทำไมมันเล็กทํำไมมันใหญ่ทำไมมันใกล้ทํำไมมันไกลแล้วมันโยดโดิได้มันไหลไปทางซ้ายซึ่งน้อมมุ่งไปทางขวาแล้วมันอยู่กับที่ทำไมมันเล็กทำไมมันใหญ่ทาไมมันใกล้ทำไมมันไกลไม่นานจิตมันลืมมันลืมตัวมัน ลืนอี mm hmm. โก้เห้ตัวเราตัวเรามันวิญยะโลง ก, กออภิชาโทมนัสังมันถอนถอนความพอใจไม่พอใจในโลกในตัวเราพอใจในตัวเราไม่พอใจในตัวเราโลกก็คือตัวเราเนี่ยแหละมันมโดยคันโดยบังเอิญของมันนั้นนะมันลืมตัวมันปเป็นรวมที่นูน่นจิตแวบวาบแวบวาบบุวา บ, บวาอีกหน่อยมันก็ ดับพุทลงไปเรื่มพุทธลงไปการรวมตัวของมันพุทธลงไปนี่ที่ท่านเรียกว่าเอกังลมนังจิตตังจิตสูอารมณ์เลศิศอันเดียวตรงนี้ก็สมบรณแบบสมาธิที่เกิดปฐมฌานขึ้นมาเรื่องพออย่างรูเ้เสื้อที่ยาไปเพ่งทางวิปัสนา ถ้า น, นดับพื้นลงไปมันยังมีอสองลักษณะช่วฟังให้ดีสําหรับบางท่านมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายอย่างนี้เราจะต่อไปเพื่ออะไรนั่นนะ ล, ลองเล่นกับมันท่านมีมีบารมีฝึกมาอย่างนี้ถ้าดับพื้นลงไปบางคนดับแล้วมันยึบยึบหายไปเลยมีความตื่นอยู่ภายใน แต่ไม่ออกมารับโูกภายนอกูไม่ได้ยินเสียงเะไรมือนั่ ง, งไม่เจ็บไม่ปวดไม่รูมันไรเลยแต่มีความรู้สึกตื่นอยู่ภายในนะทำมันเอกพลุกขึ้นอยู่ในถ้าอย่างนี้มันเรามีความสุขออกมามีความโศกเห็นโลกนี้น่ารักไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาลำทารละหาหุ่งใหม่บุคคลศรัทธาวาสิง โน๊มโน๊ปปุปปิกอะไรมันเนื้อรับไปหมดแม้แต่ยุ่งก็ยังหน้าหยอกเขาเ้าคงต้นไม้ต้นไม้เป็นเพื่อนเรางดในช่วงนี้เมื่อมันออกมาแล้วก็จะไปล้มบอกไว้ก่อนว่จาจะไปหลงมดยเฉพาะว่าเราเป็นพระอรหันต์รู้เดียร์านขึ้นมาในช่วงนี้เมื่อออกมาแล้วมีความโตกแล้วก็นั่ง สบายพอใจอยู่ในวันนั้นคืนนั้นผ่านไปอย่างไม่รู้สึกและถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรปรากฏการใหม่ขึ้นมาให้หลงทางมันอาจจะสว่างวาบขึ้นมากลางคืนเป็นกลางวันเลยคนอื่นก็ไม่เห็นเราไม่ต้องใช้ไปฉายเดินเที่ยวทั้งคืนอยากจะไปเทศให้เพื่อนฟังไม่มีใครฟังมจะไปเทศในต้นไม้ฟังหึกเกิดธรรมมุทห ต, ตื่นธรรมขึ้นมา ตรงนี้คนทั้งหลายบอกว่าตนเองบรรลุทมเป็นพระอริยเจ้ายืนเยี่ยวอยู่สว่างโพลงขึ้นมาแล้วบอกว่ามันโลกมันโปงมันโถงขึ้นมาแล้บรรลุดได้ง่ายๆใหอมันเป็นกอขอกขอกราอกรเด็กออกมือในทางพุทธศาสนาคอยเข้าใจสมาธิชนิดนิ่มจะเกิดตั้งแต่พระพุทธเจ้ า, จายังไม่เกิดมันก็มี มันเป็นเครื่องเล่นมันพาสุภิหารธรรมท่านเรียกว่าเป็นวิปัสนาอุสัฏทางพระรราาาา on. คือกิเลสของนักวิปัสนาเมื่อได้ตัลุณะวิปัสนาอ่อนๆคือเจ็บมันปวดมันจะเจอพวกนี้นี่เงี้ยอยู่อยู่เตืองแดงๆอย่างที่นี่แหละก็เจอกันอยู่แล้หลายคนแล้วเราก็ต้องแก้ไขกันไปอยียวยากันไปบางคนมันเลยเถิดเมืก่อนนั้นโหมันได้ยินไปไกลโน่น ตามเห็นถึงวิชา บ, บ้างก็ไม่เห็นแล้วจะมาคุยมาฟุ้งมาเทศมาซ้อนมาเล่าให้คนอื่นฟังเขาไมา่อยากฟังจะเรียกก็มาฟังเห็นเทวดาฟ้าดินนี้มันลกสวรรค์เก็บไว้ก่อนเหมือนเด็กได้ตุ๊กตาเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องมันมีประโยชน์อะไรหรอกแต่กรร็รู้ไว้รู้ไว้อีทัศปยาตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จึ ง, ง, ง, ง, ง, งมีขึ้นมีเกิดขึ้นมาได้ ไม่ใช่ว่ามันไม่มีแล้วไม่ใช่ว่ามันมีมันอยู่ที่เหตุที่บาดใจของมันมีอันหนึ่งนะคือเมื่อมันดับเพลงไปแล้วมันก็มีความโศกมันตะลบอยู่ภายในออกมามีความโศกมันงามไปหมดโลกนี้หน้าโย่หน้าอาไฟแล้วมันก็จะร้องไห้โดยไม่ต้องร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ถ้ามันเป็นอย่างนี้กังคืน อยู่ในวัดเนี่ยมันจะกราบมาทางครูบาอาจารย์ตั้านึกบุญคนว่าโอ้ท่านดีเหลือเกินท่านสอนเราจนเหนื่อยจนยากไม่ได้พักได้ผ่อนมันจะสอนคนอื่นไม่ได้หยุดได้หย่อนเราได้พบแล้วอีตรงนี้สํานึกบุญคนเชื่อเลยเวอรเชื่อครูบาอาจารย์ท่านนอนหลับหรือท่านตื่นโดยไม่ทราบเด็กๆเดินๆกลาบท่านมาทางกตินี่มันเป็นอย่างนี้ ทีกมอย่างนี้มันได้สวยรถ์รสแห่งธรรมมันได้ชิมดูเฉยๆอย่มันชิมไม่มีรสใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้อันนี้คือพ้นของสมถะแต่ที่นี่มันมีอีกรกษณหนึ่งเมื่อเรากำนดลงไปในเนิมิตที่เราเห็นมันไลลไปไลลมาแล้วมันสว่างเรืองๆทุพโภยอย่างนั้นอันใดก็ตามแล้วมัน ปรากฏขึ้นมาแต่หน้าเราสามารถควบคุมให้มันโยให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันเล็กให้มันใหญ่แล้วมันก็เป็นบุบบวาบเวทวาบเสียวเหมือนจะตกจากที่สูงลงที่ต่ำเราอย่าไปตเต้นกําหนดโดูอย่างนี้ต่อไปปล่อยไว้สักก่อนตัวลมหายใจคือวิถีวิจารปลอมมันไว้แล้วมันจึงจะรวมพุทธลงไปเป็นเอกขตา ที่ห้าเกิดมันรวมรทธลงไปแล้วมันสว่างอยู่ภายใ น, ในสว่างเจิดจ้าเหมือนแสงอุ่นตาเรเลส น, นะสว่างจนจนตานี้จีได้หมดอยู่ภายในอันนี้อันนี้มันจะไปฤทธิ์ไปเดชมันมนมยทอกยตทีอภิน ญ, ญามันจะเกิดมาพวกนี้ แต่จะเป็นล้อง ม, มันจะเป็นร้องมนอนฝากไว้แค่นี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ขอพูดเลยไปนี่เดี๋ยวจะเกิดความอยากแล้วก็มันก็ไม่มุ่งตรงไปสู่ความเป็นอุชุปฏิปโนเป็นอ า, าการศึกษาลมหายใจนี้สามารถควบคุมจนจนกายอยู่ในอัมนนาตสงบลมสงบจนดับพลึบลงไปเป็นจิตอารมณ์อันเดียวสวรรค์ความสุขไม่มีความทุกข์ แล้วมันก็จะออกกลางนั่นมามันก็จะคิดใหม่ปรุงใหม่ครั้งแรกไม่ค่อยจะคิดพอวันสองวันสมวันก็เริ่มคิดคิดคิดคิดคิดคิดมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ไม่รู้จักความคิดนักสมาธิตายตรงนี้เมื่อตัวเลนสงบแล้วมันจะคิดมันเอาความสงบนั่นคือความสุข คือปีติด้วยสุขด้วยเนี่ยมันรวมกันเป็นสุขเวทนาเวทนามาปรุงเป็นสังขารสัญญาเวทนาวิตกคอนเซปชั่นเปอร์เซปชั่นเป็นเร่งหลังนี้เป็นวิตกอ่าเป็นสังขารจิตตป็สังขารแล้วก็จะคิดสงบในนี้แหละแล้วจะมาปรุงอย่างละเอียดเนื่องปรุงี่สร้างวัดอย่างนั่นสร้างกุฏิอย่างนี้ศาลาอย่างนั่น จะเทศอย่างนั้นมีคนนล่นฟังจะสอนคนโน้นอย่างโน่นอย่างนี้วัดของเราจะเป็นอย่างนู้นชั้นนักองาจะใหญ่อย่างนี้จะเป็นนักปาอย่างครูบาอาจารย์ลืมไม่รู้ว่าตนคิดอะไรมือปูนใหญ่ก็เป็นตนเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็วิ่งตามความคิดนั้นคนอื่นทำไม่ให้ถูกใจตามที่ปูนไว้ก็ไม่พอใจโกรธขึ้นมาเกียขึ้นมาสมถานี้มีความรุนแรงมาก ถ้ารักก็รักเมกื่อถ้าโกรธก็โกรธเมื่อโกรธเมือนไม่ลมเลยเบาง่ายข้อภัยจะบอกเลยตรงนี้ว่าคนที่มีสมาธิส ม, าามาสรรถมังเมื่อเฟบกามก็เซฟได้มากในละเอียดในพิสดารกว่าคนอื่นท่านคงจะเคยได้ยินเนรื่องเลสีที่เฟบกามอย่างเลสี อ, อะไรโกรธ ในรามโยปณะกำนาง 2. 2> อรุณวดีหรือในพระตาบดกมีเหมือนจะเป็นเล่มที่ยี่สิบเจ็ดอิสิษฐาละดาบทไออิสิษฐาลดาบทอยู่ในอารัมภุษาชาดกเล่มที่27สิบเจ็ดคุทตกรกายหน้าที่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหรือไงเนี้ย ข้อเนี่ยสองสี่เจ็ดแปดถ้าหากจาไม่เพชรหรือสีเพ่งชาญยนร้อนสะเทือนทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินหร <c oughs> ือสีเพ่งชาญจนพระอิน <c oughs> ทเทวดาบนสวรรค์ <c oughs> เกิดอิจฉาว่าเราไปจะเก่งกว่าเรามึงแล้วจะมาเป็นใหญ่กว่าเราในสวรรค์ก็รีบให้ไป ให้นางอาัปสรที่มีมายามากไปทำลายตะบะเสียทรงนางอลัมพุษาลงมาในชาดกนี้จึงมีชื่อว่าอลัมพุษาชาดกคุดธะกนิกายพระตรปิดกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหน้าที่ห้าร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้าเนี่ย ก็ลงมาฤศีน เ, เข้าฌานแห่งจะเป็นปียู่ไม่ออกมาก็ได้ฟ้องฟามปีไม่มาออกมาก็ได้อรัมพุษะมาแต่เชา้าแต่งตัว ว, ะ ว, ะวะบับวับเบลบลวดอวัยวะความสวยความงามดวดมายาแห่งยญิงมาพบท่านกําลังกวาดเรือนไฟอยู่พอฤศี อ, ออกจากฌานมากวาดเรือนไฟก็มาเห็นเข้า พอเห็นปั๊บเข้าจิตใจก็ตกบูบโดยไม่รู้สึกตัวว่าจิตใจนั้นมันเกิดความกำหนัดราคาธรรมก็เกิดขึ้นอ่าปากวอเลยถามโอ้มาจา ะ, ะคูลมาจากไหนเป็นลูกสาวใครไม่เคยเพบเคเห็นสวยงามอย่างนี้เหมือนหยาดฟ้ามาดึงฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในป่านในเขาเธอจะไปไหนล่างนางนี้ก็ไม่พูดเดินเดินหน้าอาบๆไปแล้วก็ชำเลืองตาอดอวัยวะ เรือสีหนึ่งก็ก็ระลาทําอย่างรุนแรงแล้วนางแทนที่จะบอกว่ามาจากโน่นจะไปโน้นมานี้นางกลับตอบสวนขึ้นมาว่ามเวลานี้ไม่ใช่เวลาแห่งปัญหาในเมื่อจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มาซีเราทั้งสองก็เลยร่วมกันว่ายอย่างนี้ นักพนกาโลพันเตกสสปีวังคเตสติเอหิสมารมิสามโอโหวาสมากมัสมีกัสาภลีชนิภัยร่ะมากเอหิตังอุปคุยสร้างระตีนัง <c oughs> นกุสโลภะวะท่านกาปะในเมื่อจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ก็มาเทิดมาซีเราทั้งสองจะได้รื่นรมกันใช้อย่างนี้โอโหาสมากมัสมเอหิตังอุปคุยสร้างมาเทิด เราจะเข้าคลี่ราตินั้นกุสโลภวะท่านจะเป็นผู้ฉลาดในการรื่นลมกุสโลภะฉลาดในภาวะที่เรียนลมนี้วตินังกุสโลภะเพียงแค่นี้เองลือศีก็ ว, วิ่งตามหลังมือกอดขอซบอยู่ในอกนั่นว่ากันว่าในชาดกนั้นซบอยู่ในอก ของอลัมพุศาสามปียังออกมาได้ต้นไม้ต้นไม้เกิดใหญ่โตปกปกดรกงลังไปหมดเลยอาสมสาลาท่านแล้วลองคิดดูเถิดนี่คือสมถะมันทําอะไรได้พิเศษพิเศษพิเศษนักสมถะสร้างวัดได้ใหญ่โ ต, โตทําอะไรพิเศษพิเศษพูดออกมามีฤทธิ์มีเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้มีสมาธิระสว่างว่าเปลือกภายในเนน้อมไปโน้มมามันไปนู่นหละหาเหล็กฮะโอยอัญญาหิลาภูปนิสาอัญยานิพานคาม่ีปฏิปทาพระพุทธเจ้าบอกว่าทางหนึ่งสวงฮาลาบทางหนึ่งไปนิพานรู้อย่างนี้พุทธสาวกพึงสว่างฮานิพานก็เราอย่าสนใจแต่ถ้าหากมันเป็นอย่างนี้เราอยากสนใจบอกให้ทราบไว้ก่อนว่ามันเป็นได้มันเป็นได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดว่ามันจะไม่เป็น เมื่อเราสามารถทําอย่างนี้ได้แล้วก็จงรีบเดินหน้าต่อไปความจริงอย่าไปสนใจมันเลยจะดีมากที่สุดถ้าสนใจแล้วทุกวันมันจะมาติดตายอยู่ตรงนี้มีมือกชีวิตที่เป็นจริงจริงโยดทุกวันครูบาอาจารย์ที่เก่งเต่งรู้จักจิตจั ก, จกใจคนอื่นสร้างวัดสร้างวาร์ได้มากวัดหลายวัดใครพูดไม่ถูกใจย้ายหนีไปรสร้างใหม่ต่อไปไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรถ้าดูไปดูมา แต่มันสนองตอบกิเลสปัญหาเนี่ยเองมันละเอียดเมืากกลายเป็นทิฏฐิมือนน่ะที่ว่าเป็นอะมันกระทบกระเทือนกันเติ้งซาำกันก็หวรจะพูดอะไรว่าผ่านไปเมื่อเราสามารถทําจิตให้สงบลงไปพุทธลงไปลงไปอย่างนี้มันจะปรุงปรุงมีความสุขมันจะปรุงละเอียด วันหลังมาพอนั่งปุ๊บลงไปมันสงบก็ปร้นความคิดที่ที่เคยคิดเอาไว้มันจะเก็บเป็นเซดิมันที่นอนอยู่ภายในก็แสดงเป็นรูปเป็นร่างเป็นนิมิตผู้พวกสมถจะจึงมีนิมิตฉุกไม่ขาดมาเล่าให้กันฟังเห็นโน่นเห็นนี่แต่ถ้าเรามีสติอยู่ทุกลมหัวใจมีสติอยู่ทุกขณะที่เราคิดรู้ทัน ลักษณะนี้นิมิตที่จะเป็นตนเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างมาเล่าให้การฟังเขียนเป็นหนังโซนหนัหาขนาดมันจักไม่มีนิมิตมีสองมีมิตรมีมิตนอกนิมิตรในนิมิตที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนั้นนิมิตนอกนิมิตรนอกในมิตแต่ว่าเครื่องไม้ทำให้หลงไหลมิมิตที่แท้จริงนิมิตภายในยืนลงอยู่คือลมหายใจในลมหายใจ พูดถึงตรงนี้อาจจะพูดถึงเรื่องนิมิตแต่เวลาเราจะพอไหมเอาไว้ตอนหลังสักนิดหนึ่งเอาไว้ตอนหลังถ้ามีเวลาพอเรื่องนิมิตที่ผู้เจริญอธิจิตจะต้องทําความศึกษาให้เข้าใจเอาละเปนั้นว่าการรู้จักรลมหายใจเข้าหายใจออกจนทําให้มันสงบระงับผุบไปนี่คือการรู้จักกายาที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายยันย ต, เเติตลังห่างนีเคือเวทางวิช า, าสัสพะสาสัง ดูก่อนทีสทั้งหลายกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายลมหายใจนีแ้แหลคือเรากล่าวว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายท่านใช้คํานี้นะตายยันยตราหังพิกเวเตังวะหามิยติทั้งอัศสัพปัสสังขื้นลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือตายลมหยาบกายก็หยาบลมละเอียดกายก็ละเอียดที่นี่เลื่อขึ้นมารู้จักความคิด ทุกเมื่อที่มันคิดผสมกันไปกับอาหมหายใจถ้าเรารู้บ่อยๆเข้าเราจะอ่านความคิดออกว่าเราคิดอะไรเรารู้เราหมดอ่านเมือนนอ่านหนังสือได้เก่งๆรถวิ่งขี่เครื่องบินบินผ่านมองลงมาข้างล่างเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษใหญ่ๆอยู่ข้างล่างยังอ่านได้ยังอ่านได้ไดความเร็วเหล่านั้นเราเรียนภาพร้อยอักษรอยู่ยังไงเรา Mm. มันไม่ได้เรียงมันพืชนเดียวมันรู้ทันเรียกว่าฟรีควอนติโนมคือความรู้อย่างที่ที่เราได้ฝึกไว้เ mm. มื่อเราหัดอ่านหนังสือกอไก่กอก า, กาจนทุกวันนี้รถวิ่งเครื่องบินวิ่งเคร่งบินว mm. ิ่ ง, ง, งเราก็อ่านได้พอเราหัดอ่านความคิดตนเองทุกเมื่อจนกลายเป็นความเคยชินมันอ่านเองคิดป๊บมันก็รู้ป๊บคิดปับ๊บรู้ปับ๊บตรงนี้ ถ้าท่านรู้ความคิดมากๆเรื่องมันไม่ยาวมันปรงขึ้นมาไม่ยาวรู้ปั๊บมันปัดเป๊ะเป็นออโตโ้สต็อปคิดอีกรู้อีกตัดลงอีกคิดอีกรู้อีกตัดลงอีกไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเห็นปัจจบุจจบนนจนันปัจจุบันนั่จะโรยธนมันตัดท่าวิปัสสติอสังเหงรังอสังกุปปังตังปิฏฐาโมโพรหิเยที่วิญญาณตัดไว้ในพัทเทกัลตัสสูตร เห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจแจ้งไม่งุนเงี้ยนคลอนแผนเอาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อะไรเล่าคือทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ากับความคิดที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เสียงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นนหัวหนที่เกิดขึ้นในคลองแห่งจักรสุนี่เกิดขึ้นเห็นเพียงแค่นี้ไม่ช่วยมันที่พอใจไม่พอใจไม่ไปเป็นเจ้าของมันปอดปล่อยเพื่อวาง อ่านรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ในที่สุดมันก็เก่งเรื่องไม่อยากรู้เพราะมันดับคิดมามาอีกรู้มันก็ดับอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่งอนงี้ยงคอนแคลนแล้วก็รู้ว่ามากๆอสังหีรังอสังกบ ป, ปังพอคุณมันไวให้มันมากให้มันมากซึ่งทำชั่นิติแล้วไม่นานท่านก็จะรู้จักรู้จักจิต เมื่อกี้เราพูดถึงการรู้จักกายที่นี่เราก็จะรู้จักจิตว่าจิตนี่มันก็เป็นธรรมชาติไฟฟ้าเราทําไมมันดับลงอย่างนี้ถ้าไฟฟ้าดับอย่างนี้ไม่แน่ใจฝนอาจจะตกที่อื่นเรามันอยู่ในป่านในเขาดิเขาจ ะ, จะตัดก่อนอันอย่างไงก็พยายามทาให้มันเสร็จเฟดเฟดไปเรื่อยมันมีเวลาจะพูดกันในวันหลังมันนานมากที่นี้เมื่อเรารู้จักความคิด อยู่เช่นนี้ให้เหมือนเราไปดูหนังผมจะเปรียบให้ง่ายไปอีกดูหนังเราอย่าไปดูในจอให้เราดูที่ฟิล์มถ้าเราไปดูที่จอหนังเราก็จะเห็ น, น, นหนังเป็นเรื่องเป็นราวที่เขาแสดงออกมามีพระเอกมีตัวโกม้มีการแข่งข้ากาันมีบทรักบทศกพอจูกวุ่นคำเราก็เห็นแล้วมันก็ลงเข้าไปในหนังนั้นเพราะเราราวนาให้กับเขา ทีนี้ถ้าหากเราไปนั่งดูภาพที่มันออกมาจากม้อนของฟิล์มเราดูที่ฟิล์มที่มั น, น он, มอนมาฟิล์มที่มันมอนผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นภาพในฟิล์มแต่มันไม่เป็นเรื่องมันจะเห็นทีละภาพทีละภาพทีละภาพทีละภาพตัดไปตัดไ ป, ดไปรูปนั่งรูปยืนรูปโดนรูปนอนมันไม่เรื่องมันช้าไม่ต่อกันเมื่อเรามาจ้องดูความคิด มีระบบรู้ในความรู้พอมันรู้ลมหายใจอย่เพื่อเป็นพื้นฐานทางอิ m นิวิตีแล้วก็มารู้ความคิดให้มันเป็นระบบแอนตี้ไวโอติกไม่ให้มันกำเริบเสดสารไปโสลเรื่องราวด้วยังเฉพาะเรื่องการมารุมีเพียงได้ ร, รู้ปับเรื่องราวทีมันปรุงแต่งมันดำริไปจิตที่มันดาริไปรู้ปับมันดับปุ๊มัน โพล้ออีกรู้อีกดับอีกโพล้ออีกรู้อีกดับอีกมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อเราดูหนังในฟิล์มเราไม่ไปดูในจอมันแต่ถ้าเราดูจอคือเราไม่สามารถรู้ความคิดแต่เราหลงเข้าไปในตัวความคิดถ้าเรารู้มากมันก็ไม่หลงถ้าเราหลงเราก็ไม่รู้ความคิดนั้นไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้นั้นไม่ใช่ตัวคิดตัวรู้คือสติ ใน inding, ตัวที่คิดมานั้นมันคือ por, คอารมณ์เป็นธรรมารมที่มาจากพายมามาจากสัญญาบ้างมาจากเวทนามาจากวิโตคอนเซปชั่นเตอร์เซปชั่นฟิลลิ่งเหล่านี้เพราะนั้นให้ให้จับหลักว่าเราดูฟิล์มหนังกับดูจอหนังมันจะหมดเรื่องถ้าดูฟิล์มมันไม่เป็นเรื่องมันไม่เป็นเรื่องรักเรื่องชัง พาเราไปดูจอมันก็มีเรื่องรักเรื่องชังในขณะที่มันใช้ภาพจากแผ่นฟิล์มที่ถูกแสงไฟสาดเข้าไปใส่จอมันก็ไปเรื่องเป็นราวความคิดที่มันเกิดขึ้นให้มันเหมือนกับฟิล์มหนังที่มันไหลเวลาเราสาดเข้าไปใส่จอเราจ้องดูที่ฟิล์มเรื่องมันก็เกิดผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่ไปเรื่อถ้าอย่างนี้มันก็จะเห็นความรับของจิต เราจะเห็นเบื้องหลังความคิดนะเบื้องหลังความคิดนันมันมาจากอะไรมาจากอะไรอ่านรู้ให้ดีการกำเนิดรู้ลงไปในจิตเฉยๆรู้ความคิดรู้ความรู้สึกถึงมันคิดมันรู้ความคิดในความคิดมันจะซ่อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจตัวนั้นคือเวทนาโดยที่มันคิดเฉยๆยังไม่พอใจแลยยังไม่เสียใจอะไรนี่มันคือตัวสังขารก็ดีอมันมันมันมันเป็นเนี่ย สัญญาก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นวิตกก็ดีมันโผล่ขึ้นมาเรารู้เฉยๆมันยังไม่เป็นสังขารแต่ถ้าเราไม่รู้มันจะสากเข้าไปใส่จอเป็นสังขารเป็นเรื่องเป็นราวสังเบอรพร้อมก็จะทำพร้อมกันทีนี้เราดูนี่เราก็จะเห็นเราเห็นภาพด้วยมันภาพประทังมันจะเห็นบางหรือยงมันเกิดมาจากสัญญาความจําได้หมายรู้ในอดีตก็ดี ความสำคัญมันม่นหมายใดๆก็ดีที่มันตายเปนความเคยชินบางเรื่องมันโผล่ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องเวทนาคือพอใจไม่พอใจเป็นเฟลลิ่งอันใดอันนึนนนน่บางเรื่องมันโผล่ขึ้นมามันเป็นวิตโตรง็นคอนเซปชันความคิดรวบยอดที่มันสะสมกันมาสําเร็จรูปสามวันนี้โผล่ขึ้นมาแล้วจึงจะถูกคว้าตอบปรุงไปเป็นสังขารถูกยังให้ดีแล้วมันจะเห็นตัวนีม้มากว่าการรู้ความคิดเฉยๆนั่นน่ะ มันจะเป็นปริญญาอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกว่าตีระเรียกว่าญาตะปริญญาคือกำหนดรู้ลงไปรู้ลงไปรู้ลงไปเราก็เลยได้ปริญญาพอรู้มากๆเข้าเรื่องมันไม่ยาวเพราะเรืเ่องไม่ไม่ยาวมันรู้มากๆเข้ามันกลายเป็นความพ่อพูนส ต, ติสัมปชัญญะมกหมุนปริวัติตัวของมันทำของมันเองเลย การทํางานเองของมันเป็นอัตโนมัติเหมือนเราหมุนเครื่องนตอนแรกมันยังไม่ติดทีนี้เครื่องมันติดแล้วมันก็ทําของมันเองเราไม่ต้องไปหมุนตลอดเครื่องมันก็ติดแล้วในสติของจัญญามันถูกหมุนตื่นหรือมามันก็เลยทํางานของมันเกิดแอคทิวิตี้ของมันขึ้นมาตลอดเอาล่ะทีนี้การรู้แต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งรู้ลงไปรู้ลงไปรู้ลงไปรู้ลงไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายรับรู้รับทราบไม่ ต่อตานไม่สนับสนุนนี่มันจะได้ปริญญาในทางภูษาปนาเรียวะยุทธยาตะประิญญาไม่รู้มากๆก็จะเห็นเื้องหลงังปรากฏการแห่งความคิดบางอันมาจากสัญญาบางอันมาจากเวทนาบางอันมาจากวิตกทั้งเวทนาสัญญาวิตกนี่เรารู้โดยโดยรู้มากๆเขากลายเป็นการพิจนะารณาอันนี้มันมาจากความหลงัง อ้าอันนี้มันมาจากความพอใจม่พอใจโอ้อันนี้มันมาจากความคิดรวบยอดที่มนันรวมกันอยู่นะมันก็เลยกลายเป็นปีรณปริญญาแต่ปริญญาคือพิจารณารู้โดยก็พิจารณาลงไปโดยตัวมันเองไม่ใช่เราไปไปคีบเพยียงแต่เรารู้แล้วมันก็จะแตกแขนองออกมาเป็นความพิจารณาเป็นคชิเดอเรชั่นในที่สุดเรารู้ โดยพิจารณาในตัวของมันเองมันแตกขนแดงออกมาจากความรู้ว่าเอาความรู้ไปต่อความรู้แล้วในที่สุดลึกลงไปเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่พอใจไม่พอใจในสัญญาในเวทนาในวิจตงไม่สามารถจะกลายเป็นสังขารตรงนี้เรียกว่าจิตสังขางรังปฏิสังเวทีสา ม, มารถรู้แจ้งจิตสังขารดูแล้วก็ทําให้มันลํางับประส่มไปยัางจิตสังขางรังปฏิสังเวที ทำจิตสังคัมให้รำงับเรื่องไม่เป็นเรื่องรู้ปับบป๊บดับรู้ปั๊บดับในที่สด ก, ก็หมอดไปพอขึ้นไม่ได้โผลขึ้นไม่ได้ยึกยักไม่ได้รู้ทันมันดับรู้ทันมันดับแล้วหมายใจก็ละเอียดอยู่อย่างนี้นั่งอยู่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนั่งสองชัมมง่วโมงสาชั่วโมงไม่เห็นมีอะไรจะปวดตรงไหนอย่างนี้สติปัญญามันโผล่อยู่อย่างนี้ในที่สดมันก็จะเห็นอีกอันหนั่ง เห็นปากเบื้อหลังปรากฏการของสัญญาของเวทนาของวิตกตัวึ่ง ม, มารวมกันมาเป็นความคิดให้เรารู้ ป, ปริญญาตปริญญาตัวนี้เราได้ตีรณานะปริญญาแล้วแล้วเราก็รู้มันลึกลงไปลึกลงไปเราก็จะเห็นเบื้องหลังของสัญญาของเวทนาของวิตตกนี้ว่ามันอยู่ภายใต้กฎอันหนึง่งคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันไม่มีอะไร ไม่อะไรเก่ามันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่อยู่คงที่เพราะงนั้นมันก็มีอาการบีบคั้นกันอยู่ในตัวเป็นทุกข์และมันก็เป็นของมันเองไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราไปค้นออกมาจากเวทนาจากสัญญาจากวิตกมันเป็นมันเองเมื่อเห็นรูปปใจเก่าความเป็นเองของมันคืออนัตตาอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราแล้วเราก็จะเห็นอันนีจังเห็นทุกครั้งเห็นอนัตตาอยู่ในนี้การเห็นอันนี้ชัดเจนขึ้นมามันก็จะหยุดจิตจะหยุด หยุดไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสัญญาเวทนาวิตรงไม่เป็นเจ้าของรูปไม่เป็นเจ้าของนามไม่เป็นเจ้าของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอปปารทานยุดมันมันไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันเห็นว่ามันไม่ที่มันเป็นทุกข์นอนัตตามันดยุดการหยุดของมันแล้วมันก็จะถอยออกมาเป็นวิราคาจางคายในที่สุดเห็นเจอเจ้าขึ้นมันก็สลัดคืน สิ่งที่เคยยึดมันหรืมันมันก็คว้างออกไปหรือว่าสลัดคืนปฏินิสโคปฏินิสคาสิ่งที่มันยังไม่ยึดมันกําลังจะคว้ามือไปยึดคือสมมุติจิตมันกําลังจะร้องไปมันจะสลัดตัอมันเคยมาไม่เอาโว้ยไม่เอาโว้ยให้นี่มันทุกข์โว้ยนี่มันมันจะปลง n g มางี้ก็เลยได้ปริญญาใหม่เรียกว่าปะหานะปริญญาละหมดรจนละไปเลยไม่เอาเลยไม่เกิดเป็นความทุกข์ เป็นอ น, นว่าการรู้ความคิดนั้นมันจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกซ่อนอยู่ในตัวความคิดเห็นเวทนาแล้วก็เห็นจิตอยู่ในการรู้อย่างนี้เราทําทั้งศึกษาจิตศึกษากายอันนี้เองต้องทําให้ดีเลยใจแล้วเราก็จะรู้เห็นความเกี่ยวโยงของมันคือสิ่งใดที่เราพอใจ ความคิดอารมณ์ใดให้เราเกิดความพอใจเกิดความสุขลมหายใจเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าอารมณ์ในมันบีมันขั้นมันไม่พอใจลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีความทุกข์ไม่พอใจในความคิดในอารมณ์ใดจิตไม่สบายลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งจิตเพ้อเพลินลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งกุ้มใจลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง เราก็จะได้เห็นอารมณ์จิตนี้มันก็เกี่ยวกับลมหายใจกายก็เกี่ยวอยู่ที่ลมอันเดียวนี้มันจึงเป็นที่ตั้งของกายของเวทนาของจิตของธรรมความพอใจเรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าเกิดพอใจเป็นสุขเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพวกกรรมตัณหาภวสังหา ถ้าไม่พอใจมันก็เกิดเป็นทุกขเวทนามันจะเป็นปัญหาตัวใหม่เรียกว่าเป็นวิภวะนี่มันเป็นกระแสปฏิจจสมุปนธรรมไม่รู้จะชื่อมันก็ได้เพียงแต่รู้ลักษณะของมันเท่านั้นเพราะนั้นดูให้ดีๆในลมหายใจนั้นแหละกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดวันนี้อยู่มันศึกษาชีวิตศึกษากายศึกษาจิตแล้วก็จะเห็นทั้เวทนาทั้งธรรม การเห็นเวทนาดังก่าวและคือถ้าหากเรามีความพอใจสุขใจลมหายใจละเอียดราบเรียบอย่างหนึ่งถ้าเราไม่พอใจเราสุขเราทุกข์ใจหรือทุกข์กายทุกข์ใจก็ดีเป็นทุกขเวทานานลหมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะพรุทธเจ้าท่านจึงบอกให้เราสังเกตลหมหายใจให้ดีๆท่านบอกว่าเวทานานยตรหาหังพิกขเวเอตังวทามิยะทิทางอัศสาสัปปัสสา สังสาทุกังมณสิการังจบฟังให้ดีเมื่อกี้บอกว่าลมหายใจนี่คือกายกายัญยะตราหังพิขเวเตังวัฏหามิแยะที่ทั้งอัศสะปัสสะสังดูความพุกข์สุนหวายเรากล่าวว่าตายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละพอมาถึงเวทนาพระพุทธอ ง, งรรค์ทรงตรัสว่า เวทนายัตตราหางที่กเวเตังวัฏามิยัติทางอสสาสัพพัสสังสาสุกลางมนุสิการังตรงนี้พิ่มมาอีกนิดหนึ่งว่าสาธุกลางมนุสิการังแต่ก่อนนั้นมาสุดแค่อสสาสัพสพัสสังสัจตุกลาอมนุสอการังแต่ก่อนนั้นมาสุดแง่อสสาสัพพัสสังสัสตุกลางมนสิการัง อัตสาสปัตสาสางสาธุกังมนสิการังการกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี้แหละคือเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายมาถึงตรงนี้ผมอยากจะพูดเลยต่อไปเท่าๆที่เวลาเรามีการปฏิบัติของเราต้องละเอียดมากละเอียดมากไม่ทำละเอียดไม่ได้ทำได้มันละเอียด ท่านต่า ง, งหลายผมบอกแล้วบอกอีกเวลาชันข้าโดยเฉพาะพระสงฆ์เจ้าเราไปฉันร่วมกับพระสงฆ์คณะอื่นเราคก็ค่อยๆว่ากันใหม่คือไม่ถามเขาเราฉันได้คำหนึ่งก็ฟาดไปแล้วสองสามอย่างเนี้ยแต่พอกลับมาถึงวัดท่านไม่ต้องรีบร้อนผมรอคอยผมก็ฉันเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วศึกษาธรำละเอียดมากกระแสปฏิจสมุปนัตธรรม ภาษะเป็นปัญญาเกิดเวทนาเวนาเป็นใจให้เกิดตัญหาเป็นอุปทานเป็ น, รป น, ปนพราะเป็นชาติเป็นทุกเวลาเรากินข้าวเนะมันมีหมดเลยลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อยู่ในอาหารเป็นเข้าไปทำหน้าลมหายใจให้ละเอียดในขณะที่เคี้ยวอาหารเวลาคุณอร่อยลมหายใจคุณเป็นอย่างหนึ่ง เวลาคุณไม่อร่อยลมหายใจคุณเป็นอย่างหนึ่งอร่อยนั่นคือสุขเวทนาะไม่อร่อยนั่นคือทุกขเวทนาะสุขเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตามัตหาภวะตัญหาทุกขเวทนาไม่อร่อยเป็นปัจจัยให้เกิดวิภวะตัญหาตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานโดยเฉพาะเป็นชาติไม่ได้รู้จักชื่อมันเพียงโดยมีสติจอ ดูลมหายใจให้ดีๆจะควบคุมเวทนาได้เวทนายตระหังที่กเวเอตังวะหามิยติทังอัศสาสัพพัสสะนังจะสสะทุกังมโนสิกาลังเรากล่าวว่าการกระทำไว้ใน ใ, ใจดีๆนั่นแหละคือเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเวลาอร่อยคุณอย่าทิ้งลมหายใจคุณหายใจให้เป็นปกติคุณจะไม่รีบร้อนเคี้ยวคุณจะไม่รีบร้อนกรีน เดี๋ยวนี้เวลาอร่อยมันลืมมอดเลยลมหายจงหายใจมันรีบเคี้ยวก้วมก้วมมันก็กลืนเกลือ s w a ล l o w ลงไปแล้วมันก็ยารีบไปกินต่อนั่นกินเละอย่งนี้นะมันตันหามันภาวะตันหาอยากจะกินไม่ไหวภาวะตันห้ครับมันไม่อร่อยมันก็เกิดวิภาตันหาจะไม่กินลมหายใจไปอีกอย่างหนึ่งก็ฟึดก็ฟับเวลาอร่อยก็มุ่งกันอีกแหละ เพราะท่านท่นเราทำลมให้ยใจให้ปกติอร่อยว่าปกติไม่เราก็ปกติคุณจะกินได้ทั้งอร่อยแล้วไม่อร่อยแล้วคุณก็จะอยู่เหนือสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วการมติหาพ่อตัญหาวิภวตัญหาจะตามมาไม่ได้คุณมีสติจลอยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการกินอาหารก็ต้องกามหนดลมหาจะจให้ละเอียดมิฉะนั้นมันจะเป็นวิสาหโลอาหารเป็นพิษที่เราเสรัวกันทุกวั น, วน นาบรรจะเวท่านังปฏิหังขามิไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นนั้นอะไรไตีความกันบอกกินแล้วเกิดเวทนาใหม่อิ่มอึดอัดตะว่วงนอนนั่นมันช้าเกินไปมันไม่ทันกระแสะปฏิจจสมุปนธรรมปฏิจจสมุตบาทกินข้าวคําเดียวมันเกิดมาแล้วเป็นร้อยรอบเราเชื่อว่ามันจะถึงตายแล้วจึงจะไปเกิดเป็นภพเป็นชาติเดี๋ยวนี้ มี่ทางตัดกระแสวงจรของมันอยู่ตรงนี้สซยก้านของมันอยู่ตรงนี้นักวิพัฒนาต้องละเอียดถ้านักสมถะไม่ละเอียดสงบก็สงบไปเวลากินก็ไม่มีหริมแมกเพร อ, อยูกินก่วงก่วงก่วงกวงินแล้วก็ <c oughs> แล้งเราอย่าลืมว่าตักอาหารของเรามันอดมันยาก <c oughs> มันหลายคนยอมมาวัดน้อยนนี่ เรายิ่งนม่ไม่มีเครื่องลง้างของข้งไม่บอกเล่นบอกห้ยอะไรต่างๆเขาจะมาทําไมคนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าคนงอกงอกไปหาควใช่ถ้าคนฉลาดมันนิดน้อยกวอย่างนี้แล้วก็ต้องกินอดกินอย่างเป็นโชคดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่ลุ่มหลงเพราะถ้าคุณตักอาหารคุณจะต้องเพื่อพอดีมองท้ายแถวจะถึงเมนน้อยนิดถ้าคุณตักช้อนนี้มันจะเฉลี่ยไปถึง น, อน้อยนิย แล้วถ้า ค, คุณกินเหลือคุณควรจะต้องสำนึกทบทวนว่าเราไม่รู้จะประมาณเพราะฉะนั้นมีการทำไว้ในใจเวลากินเมื่อเวลากินถูกจะมูดน้ำลายคุณจะไหลเมื่อคุณพอใจแล้วเกิดเวทนาปัญหาอุปทานทบชาติอยู่ในนั้นเสร็จถ้าคุณทุกจมองถูกกินคุณก็ดูลมหายใจคนให้ละเอียดไม่ให้มันเร็วไม่ให้มันชา้าไม่ให้มันค่อยไม่ให้มันแรง มันก็จะอยู่ในดุลยภาพที่พอดีพอดีขึ่งสมกับที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอัศสาศสะปัสสาสางสาทุกังมนสิการังทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งลมหายใจเข้าหาจะออกอย่ามองข้ามคำพู้ของพพุทธเจ้าพอมาขั้นจิตก็เหมือนกันจิตตปฏิสังเวทีรู้แจ้งจิต ต่อมาก็ระโมท้ยังจิตตั้งทําจิตให้ปาโมดต่อมาท้หังจิตตั้งย่างเจ็ตให้มั่นคงแล้วก็วิโมจะยังจิตตั้งยังจิตให้ปลดปล่อยเพื้อตรงนี้เป็นการฝึกจิตล้วนฝึกจิตล้วนบังคับจิตให้ปาโมดให้ตั้งมั่นให้ปลดปล่อยให้รู้ลักชันให้เฟิร์มเรื่อยอได้ตลอดอันนี้คุณจะเก่งในการบังคับจิต มันไม่ยากถ้าสามารถรู้เท่าทันเวทนาบังคับเวทนาได้มันก็บังคับจิตได้โลกมันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะเวทนาภาษารีบุตรได้ตัดสรู้เพราะเวทนาและท่านก็เป็นผู้มีปัญญาเมาื่อเพราะเราั้งหลายจงศึกษาข้อมูลหล่านี้เพราะฉนั้นเมื่อเราอยากจะรู้จากจิตอย่างนีน้ก็ต้องรู้อยู่ทุกลหมหายใจกับจิตที่มันคิดก็จะเห็นว่ามันคิดเองมันเป็นเอง บางครั้งก็หดหูบางครั้งก็เศร้าหมองบางครั้งก็แจ่มใสบางครั้งก็รา่าเริงทั้งหมดนั้นคืออ น, นิจจังที่ทิ้แล้วต่อมาสุดท้ายทำไว้ในใจให้ดีๆเห็นความไม่เทีย่ยงเห็นความจางไายเห็นความดับเห็นความสลัดคืนต้องตามดูในช่วงนี้คุณทำสติไว้ในในลมหายใจให้ให้ดีๆให้ดีด มีสติอยู่แล้วในช่วงนี้มีสมาธิเพียงพอจนสมามารถบังคับจิตให้ตั้งมัน่นให้บังคับจิตปลดปล่อยสมาธิส่งมาเพียงแค่นี้หลังจากนี้เป็นเรื่องของปัญญาคุณก็มาพิจรารณาความคิดหยุดทุกเมื่อลมหายใจนี่มันมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อคุณดูดีๆ ด, ดูลมหายใจเข้าหายใจออกวันหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นกับลมหายใจที่มันเข้ามันออกคุณจะรู้สึกวันหนึ่งเป็นทุกข์มาก เป็นทุกข์มากขอร้องคุณทั้งหลายอย่าบวหนายความทุกข์ลมหายใจเข้าหายใจออกคืออดเหมันใจจะขาดตายมันทำไมมันเป็นทุกข์อย่างนี้นี่เป็นทุกข์เงินเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ความนี่เป็นทุกข์เพื่อคนจะรู้สึกหุนเงินปฏิคับร่วนวายไปหมดในช่วงนี้อี้มันไมน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีความสุขไม่มีสมาธิหรือยังไงความจริงถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเมื่อผ่านขั้นตอนนั้นอย่าไปเดือดร้อโดยความทุกข์เนือ คุณเฝ้าดูสังเกตตามดูความทุกข์ทุกมากเท่าไหร่ยิ่งดูมันสิบวันยี่สิบวันต้วันปลายวันคุณดูหนึ่งดูดูดูนอนดูดูลไปในใจว่านี่คือทุกข์ทุกข์กว่าทนดูเนี่ยใครเป็นคนทุกข์มันจะมีคําถามซ่อนอยู่เนี่ยเก็บเวลามาถามมีแต่ลูกทุกข์กินเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์ทายอะไรมันทุกข์อะไรนี่มันไม่ใช่คิดเอานื้คุณมันจะพบเองความทุกข์เมื่อในลมหายใจเข้าหายใจมันจะทุกข์ แล้วคุณก็ตามมันดีเดินนั่งนอนรู้อยู่อย่างนี้อย่าเบื่อหน่ายนั่งก็เป็นทุกข์จะเปลี่ยนไปนูนนี่มันทุกข์มันก็เป็นทุกข์คุณอยากเป็นทุกข์กับมันจะเป็นเจ้าของคุณรูจ้องใจจะขาดตายก็ดูอย่างนี้เหมือนดูคนอื่นแล้วความทุกข์ไปถึงที่สุดความทุกข์ในโลกรวมกันข้างและมันจะมีคําถามว่าใครทุกข์คำถามถึงที่สุดแห่งคําถามจิตที่เศร้าตามดูความทุกข์ มันจะพร่องออกมาเป็นคำตอบเมื่อใครทุกโวยหลงลไปแล้วก็ดับว่าปัญหานั้นหมดมักโผล่ขึ้นมาคุณเห็นอริยสัพจริงๆความสงสัยต่างๆของคุณมันก็หมดสิ้นไปคำพูดของครูบาอาจารย์ทั้งหมดกลายเป็นความจริงธรรมมันเป็นของจริงสัจธรรมจริงแต่มันอยู่ในใจของคนอย่างไม่จริงมันก็ยังเป็นของปลอม แต่มันปรากฏขึ้นเป็นค้องจริงเป็นอริยสัตว์ต่อใจของผู้ประพปฏิบัติจริงๆมันก็เลยเป็นของจริงขึ้นมาไม่เลวไรลไม่เลือกการเลือกเวลาสุทดท้ายผมเห็นว่าสมควรแก่วเวลาแล้วขอทนดังไรจึงเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยของพระ อ, อริยะเจ้าทําตัวให้ถึงที่สุด แห่งความทุกข์อันโตทุกขะสอันตัดกิริยายะกธรรมต์เป็นที่สุดแห่งทุกข์ क,